นวสีวัธิกาปภ ะ, ะได้แสดงวิธีปฏิบัติมาแล้วเรื่องการทำอนาปนสติการทำสัมปัชัญญาในอิริยาบถใหญ่ในอิริยาบถน้อยและกายาคตาสติสติที่ระลึกไปในกายตามอาการ31หรือ32ที่นับเป็นปัตวีธาตุและอาโปธาตุกับได้แสดงทาตุวะวัฏฐานกำหนดธาตุ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 อาการต่างๆของกายหยุดทาหน้าที่ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพฉะนั้นจึงมีวิธีสอในให้พิจารณาศพศพที่ตายแล้วจริงๆที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านำมาพิจารณาเทียบกับกายนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสุพะหรืออาสุแปลว่าไม่งามในที่อื่นว่าไว้สิบแต่ในสติปัฏฐานจำแนกไวก้าหมวด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 จนถึงกะโหลกศีรษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่งเรียรายกระจัดกระจายและน้องมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้นหมวดที่เจ็ดพิจารณากระดูกที่หล่นเรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้นมีสีขาวมีสีแสงเหมือนสีสังน้องมาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น หมวดที่8พิจารณากระดูกที่เรียราชอยู่ในป่าช้านั้นซึ่งรวมอยู่เป็นกองกองเป็นส่วนส่วนมีอายุพ้นหนึ่งปีออกไปและพิจารณาเทียบกับกายอันนี้ว่าจะต้องเป็นชันนั้นหมวดที่ 9. ก็พิจารณากระดูกเหล่านั้นที่เป็นกระดูปลละเอียดสิ้นรูปร่างสิ้นสมมติบัญญัติว่าเป็นกระดูกหมดสิ้นไป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 ครั้นเมื่อก่อเกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาก็มาเป็นสิ่งหนึ่งและในที่สุดสิ่งต่างๆที่มาก่อขึ้นนั้นก็จะสลายไปหมดกลับเป็นไม่มีความที่เคยเปลืองที่อยู่นั้นก็สิ้นไปก็กลับเป็นที่ว่างเป็นอากาศาธาตุไปตามเดิมไม่มีอะไรตามที่กล่าวมา น, นี้เป็นวิธีพิจารณากายในกาย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 รันเสียงระคังนั้นเงียบไปแล้วก็กำหนดนิมิตของเสียงระคังนั้นเสียงระคังจริงๆนั้นเงียบไปแล้วแต่ว่านิมิตของเสียงระคังในใจยังไม่เงียบยังกำหนดอยู่เสียงระคังจริงๆนั้นเรียกว่าเป็นภายนอกแต่ว่านิมิตของเสียงระคังที่อยู่ในใจเรียกว่าเป็นภายในลมหายใจก็เหมือนกัน